พ่อคำเขียนแล้วก็คุยกันเรื่องความทุกข์ในชีวิตหลวงพ่อก็แนะนำให้เขานะเจริญสติปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็พูดทำนองว่าเนี่ยหลวงพ่อนะผมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมหรอกนะหลวงพ่อก็เลยถามเขาว่า แล้วทำไมมีเวลาโกรธนะทำไมมีเวลาทุกข์อันนี้เป็นคำถามที่จริงก็พวกเราก็น่าเก็บเอามาคิดนะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแต่ทำไมมีเวลาเศร้ามีเวลาโกรธมีเวลาหงุดหงิดมีเวลาหัวเสียนะมีเวลาเครียดมีเวลาวิตกกังวลวันวันหนึ่งนะ เราเสียเวลาไปกับความโกรธไปกับความเศร้ า, ไ ป, า, ราไปกับความหงุดหงิดความเครียดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนานเท่าไหร่เนี่ยเคยคำนวณบ้างหรือเปล่าทุกวันนี้คนมักจะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่ใช่เฉพาะไม่มีเวลาปฏิบัติทราอย่างเดียวนะไม่มีเวลาทำโน่นทำนี่แต่มีเวลาให้กับความโกรธมีเวลาให้กับความเศร้าบางทีเป็นวันๆเลย แล้วมันน่าโกรธน่าเศร้าไหมํำหน้าที่จะสละเวลาให้เวลาไปกับความโกรธความเศร้าความทุกข์หรือเปล่าพวกเราแต่ละคนนะเวลาก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆอหดหายไปเรื่อยๆเวลาที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเวลาที่มีค่ามากแต่คนนี่ไม่ค่อยเห็นคุณค่านะเราใช้เวลาที่เหลืออยู่นะไปกับ การจมจอมอยู่ในความทุกข์ความเศร้าความเครียดมากเท่าไหร่เนี่ยนะเคยเคยนึกบ้างไหมล้วทําไมเรายอมที่จะให้เวลาไปกับความเศร้านะความโกรธความทุกข์เนี่ยบางทีเราให้ไม่อันเลยนะให้เต็มที่เลยนะกูขอโกรธสักนะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนกูขอเศร้าเนี่ยเป็นปีๆเนี่ยเราให้กับ เวลากับมันไม่อันนะแต่เวลาจะปฏิบัติธรรมนี่รู้สึกกระมิก๊กระเมียรหรือเกินนะอ้างโนนอ้างนีหรือแม้แต่จะมีเวลานะนะสำหรับสิ่งที่มีค่ามาคิดดูดีๆนะเราใช้เวลาของเราเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละปีเนี่ยนะกับสิ่งที่มันไม่สมควรนี้เยอะมากแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เฉลียวใจเท่าไหร่ เวลาเนี่ยมันเปลี่ยนเหมือนกับเงินในกระเป๋านะเงินในกระเป๋าของรำก็หายไปนะหายไปทุกวันหายไปทุกวันทุกวันตอนนี้ก็ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แล้วเมื่อเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยหรือเมื่อเรารู้ว่าเงินเราเหลือน้อยเนี่ยเราก็ควรจะใช้เงินในกระเป๋าเนี่ยในสิ่งที่มันมีประโยชน์คุ้มค่า คนจำนวไม่น้อยเนี่ยเอาเงินในกระเป๋าที่มีอยู่น้อยนะไปซื้อของฟุ่มเฟือยราคาแพงนะสมมติมีเงินอยู่ในกระเป๋าพันหนึ่งมีเงินเหลื อ, อยู่ในกระเป๋านาพันหนึ่งจริงๆคนเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเงินเหลือในกระเป๋าเท่าไหร่นะพอเวลาเนี่ยเวลาตายเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้ ไม่มีใครรู้ว่ามันเหลือเท่าไหรแต่สมมติว่าเหลือสักพันหนึ่งถ้าเทียบเป็นเงินนะหลายคนก็ใช้เงินพันหนึ่งนี้ในการไปเที่ยวเที่ยวพับเที่ยวบาร์ไปเที่ยวห้างหมดไปเป็นร้อยก็คือการใช้เวลาไปกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยใช้เวลาไปความสนุกสนานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าไหร่นะ นะก็คือการเอาเงินที่มีอยู่ที่เหลือน้อยเนี่ยทิ้งคว้างนะหรือว่าไปไปใช้ในทางที่เป็นโทษกับตัวเองไม่ได้ใช้เพื่อความสนุกสนานนะแต่เป็นการซ้าเติมตัวเองก็เปรียบเหมือนกับใช้เวลาที่เหลืออยู่ซึ่งมีน้อยนิดเนี่ยไปกับการจมในความเศร้านะความโกรธความหงุดหงิดความหัวเสีย มอรในงงนี้ใช้เวลาไปกับความสนุกสนานยังจะดีสักว่านะอย่างน้อยมันก็ได้มีความเพลิดเพลินจเจริญใจอยู่บ้างนะเราใช้เวลาไปกับความทุกข์ความเศร้าความหงุดหงิดความโกรธซึ่งมันทิ่มแทงจิตใจและบั่นทอนร่างกายเราปีนึงก็ไม่รู้เท่าไหร่ถ้าทั้งชีวิตนี้ก็อาจจะรวมแล้วก็เป็นปีๆก็ได้นะแต่ว่าเราก็ไม่เคยนับนะไม่เคยคํานวณ อันนี้คือสิ่งที่คนไม่ไม่ค่อยตระหนักเนะเรามักจะพูดว่าอย่าใช้เวลาไปกับความฟุ่งเฟือยอย่าใช้เวลาไปกับความสนุกสนานนะควรจะใช้เวลาไปในการทําความดีให้เวลากับคนรักให้เวลาแบบการทําบุญทํากุศลและการภาวนาแต่สิ่งนึ่ที่ไม่ค่อยพูดกันคือว่านะอย่าใช้เวลาที่เหลืออยู่นะไปกับความโกรธไปกับความทุกข์นะไปกับ ความเครียดความหงุดหงิดนั่นถ้าเราหวนตระหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยลงไปทุกทีเนี่ยเราก็จะรู้ว่ า, าการที่เราเสียแม้แต่นาทีเดียวสําหรับความโศกความเศร้าความโกรธนี้มันเป็นความโง่ามากเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องเอาเวลาสหรับไปปฏิบัติทำหรอกเอาแค่ว่าให้แต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงเราเนี่ยมันมีความสุขไม่จมอยู่ในความทุกข์นี่ยแค่นี้มันก็ ช่วยได้เยอะแล้วและแน่นอนนะถ้าเอาเวลาที่เหลืออยู่นะไปกับการทําความดีไปกับการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาะก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่แต่น้อยเนี่ยนะเกณฑ์ขั้นต่ําคือว่าไม่ควรใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปความโศกความเศร้าความโกรธความหัวเสียจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่หลายคนเนี่ยนะปล่อยชีวิตจิตใจให้มันจมอยู่ในความทุกข์ บางทีไม่ได้ทุกเรื่องงานอาจจะทุกเรื่องครอบครัวหรืออาจจะทุกเพราะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตเช่นเจ็บป่วย ม, มีผู้ชายคนนึ่งนะแกเ ป, เป็นเป็นโปลิโอตั้งแต่เล็กนะสมัยที่ยังไม่มียาไม่มีวัคซีนป้องกันโปลิโอนั้นพอเป็นโปลิโอเนี่ยก็เรียกว่าพิการเลยก็ว่าได้แต่ยังดีนะที่ไม่ต้องไปเข้า ไปต้องใช้ปอดเทียมแต่ก็เป็นคนพิการนะแม้แันนั้นแกก็พยายามดิ้นรนขวนขวายเรียนหนังสือหนังหาจนจบมหาเทียนไล่ก็มีเพื่อนเนี่ยคนหนึ่งก็สงสัยนะว่าเคุณเนี่ยนะเป็นโปลิโอชีวิตเนี่ยนะพิการทั้งชีวิตเลยแต่ทำไมคุณไม่ค่อยมีความโศกมีความรันทดมีความน้อยเนื้อต่ําใจเนะี่ยคุณกลับมีความสุข แกก็พูดไว้น่าสนใจก็ บ, บอกว่า้ตอนแรกๆ ก, ก็ทุกข์กันนะแต่ตอนหลังเนี่ยก็มาได้คิดว่านะผมไม่ควรใช้ชีวิตที่เหลือจมกับความสงสารสมเพศตัวเองหรือความโกรธควรจะเปลี่ยนนะจากความสมเพศตัวเองมาเป็นความรู้สึกซาบซึ้งในสรรพสิ่งนะขอบคุณในสรรพสิ่งนะ สัมเนบุญของสรรพสิ่งมากกว่าแล้วแกก็เริ่มนะขอบคุณนะตั้งแต่พระเจ้าแกเป็นคริสต์นะแกนี่แกเป็นอเมริกันขอบคุณพระเจ้ า, ข อ, จาขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณพี่น้องขอบคุณมิตรสหายขอบคุณครูบาอาจารย์นะขอบคุณมันสมองที่มีขอบคุณชีวิตที่เต็มไปได้วยโอกาส แล้วแกกลับมีความสุขได้นะอาถึงที่แกพูดเนี่ยน่าสนใจบอสเนี่ยไม่อยากใช้ชีวิตที่เหลือจมกับความสงสารสมเพศตัวเองหรือความโกรธไอ้ความโกรธนี่หมายถึงคงหมายถึงความโกรธชะตา ก, กรรมอะนะทําไมจึงต้องเป็นเราเนีคือถ้าแกปล่อยชีวิตให้จมอยู่ความโกรธความสมเพศตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า ใช้ชีวิตไปอย่างฟรีๆนะใช้ชีวิตไปอย่างไม่มีคุณค่าก็ในเมื่อเกิดมาทั้งทีแล้วนะแล้วก็เวลาก็เหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีใช้เวลาที่เหลือเนี่ยในการนะทำสิ่งดีๆหรือรู้สึกดีๆกับสรรพสิ่งดีกว่าซึ่งแกก็ใช้วิธีการนะรู้สึกสำนึกในบุญคุณนะของสรรพสิ่ง ซึ่งก็ทำให้เกิดความรู้สึกบวกขึ้นมาใครก็ตามที่มีความทุกข์กันนะก็น่าจะลองนึกแบบนี้ก็นะกดีนะว่าเราไม่ควรจะใช้เวลาที่เหลือนะของชีวิตนี้เนี่ยนะไปกับการจมอยู่ในความโศกความเศร้าความร้อนท้อๆความสมเพศตัวเองเวลาแต่ละนาทีแต่ละนาทีที่เหลือมีค่า แล้วก็ควรใช้ในการที่จะเติมความสุขให้กับชีวิตของเราถ้าเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยลองคิดแบบนี้บ้างว่าเนี่ยเราจะใช้ชีวิตที่เหลือของเราเราจะใช้เวลาที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยแปลความทุกข์แปลความเศร้าแปลความโกรธอย่างนี้จะเรียกว่าฉลาดแล้วหรือนะเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยในการเติมเติมความสุขให้กับชีวิตหรือว่าทําความดี รวมทั้งสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าปฏิบัติธรรมดีกว่าชีคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะถ้าฉลาเนี่ยมันก็ไม่ควรจะให้ความทุกข์นี่มันมาครอบงําย่ํายีจิตใจเวลาทุกข์ก็ลองนึกถึงคาถาของท้าจา้าพุทธทาสบ้างนะท่าจา้าพุทธทาสบอกว่าเวลามีความทุกข์เนี่ยให้พูดกับตัวเองหรือตวาดตัวเองตวาดใส่ตัวเองว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์โวย กูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์วยน ะ, นะพ่อแม่นะคเราองมาไม่ใช่เพื่อให้เรามาทุกข์อันนี้เติมเอ ง, เองนะนั่นอาจารย์พุทธารรมไมพูดนะพ่อแม่เลี้ยงดูเราด้วยความยากลำบากเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เรามาทุกข์ให้เรามากุ้มอกกุ้มใจพ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลาบากแล้วถ้ามาเห็นเราจมจมอยู่ในความทุกข์ก็ฟัดกาเฟียด อันนี้มันก็ถือว่าในลวคุนท่านนะในท่านก็ทุ่มเทเพื่อเลี้ยงเรามาก็ควรจะให้ผลิ ต, ผ ล, ตผลของท่านเนี่ยมันเป็นผลิตผลที่ดีนะไม่ใช่เป็นผลิตผลที่ไม่เข้าท่านะคือจมอยู่ในความทุกข์เนี่ยนึกแบบนี้ซะบ้างนะมันจะได้จิตแจมีดได้ได้สติแล้วก็ดึงจิตออกจากความทุกข์ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมบางครั้งเราก็แก้ไม่ได้นะเช่นความเจ็บความป่วยเนี่ยอย่างเช่นคนที่เป็นโปลิโอเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทำให้ตัวเองหายจากโปลิโอได้หรือบางทีเราสูญเสียคนรักนะเราก็ไม่สามารถจะให้เขากลับคืนมาได้นะแต่สิ่งที่เราทำได้คือจิตใจของเราแนะทนที่จะจมอยู่ในความทุกข์ก็ดึงมันออกมาซะนะงานที่เราทำเราอาจจะ ทำไม่ได้มากทำไม่ได้ดีไปกว่านี้แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้พอจะทำได้คือนะดึงจิตดึงังเราออกมาจากความทุกข์นะจะเรียกว่าหยุดแบกหยุดยึดมันก็ได้ปล่อยซะวางมันลงซะพอที่เราเป็นทุกข์เนี่ยพอเราไปแบกมันเอาไว้เราไปยึดไปจดจอ่อนะหรือไปแบกมันเอาไว้ มันก็เลยมีความทุกข์ใจไอ้ความทุกข์กายนี่บางทีเราแก้ไม่ได้นะแต่ความทุกข์กายก็มันก็ไม่เคย <c oughs> มันก็ไม่สามารถทําให้รอยยิ้มของเราหายไปได้นะอันนี้ยืมคําพูดของคนที่เป็นมะเร็งนะนะชื่อน้องกั น, <c oughs> นเธอเคยทุกข์เพราะมะเร็งแต่ตอนหลังเธอก็ได้คิดว่า จริงๆแล้วความทุกข์ไม่เคยทําให้รอยยิ้มของเราหายไปสิ่งที่ทําให้รอยยิ้มหายไปคือความทุกข์ใจและความทุกข์ใจเกิดจากการที่ไปแบกไปยึดนะในอารมณ์นะที่เป็นอกุศลหรือการที่ไปคุ้นคิดนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นรบเป็นร้ายหรือถ้าพูดอีกอย่างคือการที่ปล่อยใจใช้เวลาไปจมอยู่ความทุกข์ความเศร้ามัน ใจเราลหลุดออกมาได้นะเพียงแค่วางมันลงเท่านั้นแหละจริงอยู่ปัญหามันไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าปัญหาไม่เคยทําให้เรากลุ้มนะปัญหาไม่เคยทําให้เรากลุ้มแต่ที่เรากลุ้มเพราะว่าเราไปแบกปัญหาเอาไว้มากกว่าปัญหาเขามีไว้แก้นะไม่ได้มีไว้กลุ้มแต่คนส่วนใหญ่ก็ดันไปแบกมันเอาไว้ มันก็เลยกลุ้ ม, มเคยมีในตำรวจคนหนึ่งนะเมื่อสักส0มสปีก่อนเนี่ยไปกราบหลวงพ่อชาไปถึงก็เล่าระบายความทุกข์ที่เกิดในที่ทำงานเป็นตำรวจไงแล้วก็เป็นตุลที่ซื่อสัสุจริตแต่ว่าไม่ประสบความเจริญเจ้านายก็ไม่ชอบทำงานดีแค่ไหนก็ไม่ได้รับการเลื่อนขั้น แถมเพื่อล้ม ง, งานก็กันแกล้งแทงข้างหลังนะเจ้านายก็ไม่เห็นความดีความชอบก็เรียกว่ามีงานเยอะนะแต่ว่าไม่ได้รับผลไมไ่รับการยอมรับก็ระบายให้หลวงพ่อชาฟังยาวทีเดียวนะหลวงพ่อท่านก็ฟังนะพอนายตำรวจคนนั้นพูดจบหลวงพ่อชาก็ชี้ไปที่ ก้อนหินที่วางอยู่หน้ากุฏิเป็นหินก้อนใหญ่แล้วก็ถามว่าเนี่ยไอหินก้อนนั้นเนี่ยหนักไหมไหนายตเรวจก็บอกหนักครับแล้วแบกไหวไหมไม่ไหวครับเออท่านก็บอกเออถ้าไม่ไหวก็อย่าแบกมันนะก้อนหินเนี่ยถ้าไม่แบกมันนะทุกไหมเราทุกไหมเราไม่ทุ ก, กันนะก้อนหินเนี่ยต่อเมื่อเราแบกเราจึงทุก ปัญหาก็เหมือนกันนะปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบกเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ทุกข์หรอกแต่ที่เราทุกข์เพราะเราไปแบกมันเอาไว้ปัญหาก็มีไว้แก้นะไม่ไม่ได้มีไว้แบกแล้วก็กลุ่มเช่นเดียวกับหนี้สินนะหนี้สินก็มีไว้นะเพื่อให้เราผ่อนให้เราใช้นะไม่ใช่มีให้เราแบกบางก็กลุ้มคิดถึงแต่เรื่องหนี้สินเคยมีคนถามหลวงพ่อพยอมนะเมื่อ10ปีก่อนนี่วัดสวนแก้วนี่กู้เงินธนาคารนี่เยอะแยะ เป็นสิบสบล้านนะมูลนธิวัดสวนแกวเพื่อใช้ในการช่วยเหลือชาวบ้านนะก็มีคนถามหลวงพ่อพยอมว่าเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยกู้เงินเป็นหนี้เข้อเป็นสิ บ, ส, บสิบล้านเนี่ยเครียดไหมทุกไหมท่านตอบว่าจะเครียดทําไมจะทุกทําไมคนที่ควรจะเครียดควรจะทุกก็คือเจ้าของเงินมากกว่านะว่าเราจะมีปัญญาจ่ายเขาหรือเปล่า อาตมาไม่เคลียร์แนะนะทุกมีเอาไว้ไอ้นี่สินมีไว้ชําระมีไว้ใช้นะมีไว้ผ่อนนะไม่ใช่มีไว้แบกนะงั้นเป็นนี้เท่าไหร่ก็ไม่ทุกหรอกนะถ้าถ้าวางใจเป็นนะแต่เป็นเพราะว่าเกี่ยวข้องกับนี่ไม่เป็นแบกมันเอาไว้นะแบกมันเอาไว้มันก็เลยทุกนะนเนี่ยนะเพราะเนี่ย ถึงแม้จะเป็นหนี้ถึงแม้จะมีงานเยอะถึงแม้จะปัญหาจะมากนะในที่ทํางานแต่ว่าเราไม่แบกก็ได้นะเคยมีในสานพุตตการเนี่ยตอนที่พระองค์ุรีมาบวชใหม่ๆนะท่านก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะพระองค์ุรีมาเนี่ยทั้งที่เรียนมาเยอะบวชใหม่ก็ได้ฟัง ทำจากพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสว่าให้รู้จักหากระยานมิตรพระ อ, องคุลิมานก็เลยไปหาคนที่จะเป็นกระยานมิตรได้ก็ไปเจอพระรูปหนึ่งชื่อพระนันทิยะพระนันทิยะก็นี่ก็มีบทน่าสนใจนะแต่ว่าเอาไว้เล่าทีหลังพระองค์ลิมานก็ถามพระนันทิยะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรท่านบ้าง พะนันเชียก็เล่านะตามที่ท่านเข้าใจว่าเนี่ยพระพูดธมิภักเจ้าสอนว่านะให้วางทั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางก็คือว่าอย่ายึดติดในอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ใดที่พอใจหรือไม่พอใจก็ตามก็ให้วางไว้เป็นกองกองอย่าแบกเอาไว้ เมื่อมีคนด่าเราบนบกนะก็วางกองไว้ตรงนั้นแหละอย่าเอาลงน้ำนะเมื่อมีใครว่าเราในน้ำก็วางกองตรงนั้นอย่าเอาขึ้นบกนะอยู่ในอยู่ในเมืองมีคนว่าเราก็วางกองไว้ในเมืองเนี่ยอย่าเอาเข้าเชตวั น, ท, นท่านอธิบายนะเป็นรูปธรรมมากนะก็คือว่าเนี่ยให้รู้จักปล่อยวางนะให้รู้จักปล่อยวางและสิ่งนี้มันก็อยู่ที่ใจของเรา นะท่านยังพูดอีกนะว่าเพราะนันทิยาก็อธิบายนะว่าเวลาเราทําความดีนะมีคนชื่นชมสรรเสริญมีคนให้ลาบสักการะนะก็ให้ให้ถือว่าเนี่ยคำสรรเสริญหรือลาบสักการะเนี่ยมันเป็นผลแห่งความดีที่เราทําหรือเป็นเพราะคนอื่นคัญว่าเราเป็นคนดี แต่ท่านก็พูดย้ำว่าเนี่ยไอ้ผลแห่งความดีนะมันเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลจนประมาทนะก็คือปล่อยวางแม้กระทั่งคำชื่นชมสารเสริญนะหรือว่าลาบสการะแล้วแม้ว่ามันจะเป็นผลแห่งความดีที่เราทำแต่เมื่อได้มานะก็ต้องปล่อยต้องวางอันนี้ก็หมายความว่า อะไรที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่สิ่งที่ดีก็คือลาบสักการะคําสารเสริญก็ต้องปล่อยวางท่านใช้คําว่ามันเป็นมันเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาคือไม่พิจารณาแล้วก็หลงไหลเพลิดเพลินแล้วก็ประมาทไอคำด่าก็เหมือนกันนะก็วางเหมือนกันนะถ้าเรารู้จักวางนะเวลาใครสารเสรวนเราก็ไม่เพลิดเพลิ น, ลนหลงไหลนะ ก็ไม่ต้องห่วงนะเวลาใครตาหนิเวลาใครต่อว่าเนี่ยมันก็ไม่ทุกไม่มีคนมาเคยมาถามว่าทำยังไงนะเราจึงจะไม่ทุกเนี่ยเมื่อมีคนมาว่าเราทำไมจึงจะไม่โกรธนะไม่ไม่มีเมื่อ ม, ม, ม, มีคนมาต่อว่าเร า, เาตรรมาก็บอกว่าเวลาเขาชมเราเนี่ยก็อย่าไปยินดีอย่าไปเพลิดเพลินถ้าเราไม่ยินดีในคำชมในคำเพลิดเพลินนะเวลา ถูกตำหนิเวลาถูกต่อว่าเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ไอ้ที่คนเนี่ยทุกข์เพราะว่าถูกตำหนิถูกต่อว่าเนี่ยนะหรือสมัยนี้คือไม่กดไลน์เนี่ยนะมันก็เพราะว่าเวลาเขากดไลน์ก็ดีเวลาเขาชื่นชมสรรเสริญก็ดีเราเพลินไงเรายินดเนีเมื่อเรายินดีในคําเพื่อเพลินในคําสรรเสริญเนี่ยพอคําสรรเสริญมันเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามคือคําต่อว่ามันก็ต้องทุกขนะ์แหละ นะนั้นถ้าไม่อยากทุกข์พ่อคาต่อว่าเนี่ยก็อย่าไปยินดีนะกับคําสรรเสริญ น, นะก็คือว่าเออก็รับรู้ไว้หรือว่าถ้ายินดีก็รู้ว่ามั น, ม, นมีความยินดีอยู่ข้างในเห็นความยินดีเห็นความดีใจข้างในนะอย่างที่ผู้ไว้เมื่อเช้าเนี่ยเด็ก7จ็ขวบเขาเห็นรูกประคำเขาก็ร้องอูหูนะถามว่าร้องอูหูพ่ออะไรก็เพรา ะ, ะรเห็นข้างในมันดีใจ อันนี้ก็ธรรมดานะเวลาเรามีคนเวลามีคนชื่มชนสลรเสริเรามันก็ต้องมีความยินดีดีใจก้อยเห็นมันซะนะอย่าเข้าไปเป็นมันนะถ้าเราเห็นมันนะมันไอความดีใจก็จะไม่หลงครอบงำเราครั้นความดีใจนะั่นเนี่ยมันแปลเปลี่ยนน ะ, ะครั้นไอคำสลดเส ร, ริัมันแปลเปลี่ยนเป็นคําต่อว่าดาทอเราก็ไม่ทุกนะคนที่ ลอยขึ้นสูงนะเวลาตกลงมาก็ต้องเจ็บนะถ้าไม่อยากตกลงมาเจ็บก็จะไปลอยขึ้นสูงมากๆนะเวลาใครชมเราก็อย่าเหลิงนะอย่าไปยินดีก็รู้ว่าเออเตือนใจเราว่าเออไอคองพู้นี้มันไม่เที่ยงนะมีคนสาเสริญเดี๋ยวก็ต้องมีคนต่อว่าทุกคําสาเสริญเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยคําต่อว่า คนที่ชอบเราหนึ่งคนมันก็จะต้องมีคนไม่ชอบเราอีกหนึ่งคนเป็นอย่างน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปดีใจวเวลามีคนชอบเวลามีคนสรรเสริญเพราะว่านั่นก็คือด้านหนึ่งความจริงไอ้คนที่เขาตำหนิเขาต่อว่ามันก็มีแต่ว่าไอ้คำพูดของเขายังไม่ถึงหูเรานะแต่มันก็มีเพราะฉะนั้นไปดีใจทำไมดีใจเวลามีคนชมเวลามีคนยอมรับ ถึงเวลาคำต่อว่ามันเข้าหูเราก็ทุกนะถ้าไม่อยากทุกขเพราะคำต่อว่าก็อย่าไปดีใจกับคำาสรรเสริญอันนี้รวมถึงอย่างอื่นด้วยนะที่เป็นโลกธรรมฝ่ายบวกเช่นได้ลาบนะได้ยศหรือว่าสุขเช่นสงบนะหรือเพลิเพลินหลวงพระชาติมนบอกว่าเนี่ยสุขและทุกข์เนี่ยนะ ไอ้ความทุกเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับหัวงูส่วนความสุขเนี่ยมันก็หางงูถ้าเราจับหัวงูนะเป็นไงก็โดนงูกัดแต่ถ้าเราจับหางงูแล้วไม่รีบปล่อยนะงูมันก็กลัดนเหมือนกันนะก็คือว่าสุขและทุกเนี่ยถ้าไปยึดมันเมื่อไหร่ก็ทุกมือ น, นั้นนะเพียงแต่ว่าบางอย่างที่มันทุกเร็วบางอย่างมันทุกช้า ไอ้ของดีๆที่เราลูกกระทําฝ่ายบวกเนี่ยนะพอเราพอมันพอเราเจอเราก็ยินดีเอาง่ายๆเช่นความสงบเนี่ยนะเวลาปฏิบัติธรรมเราสงบแม่มันดีเหลือเกินแต่พอความสงบเปลี่ยนเป็นความไม่สงบนะหรือว่าความสงบมันหายไปหลายคนก็จะทุกข์เลยนะนับปฏิบัติธรรมหลายคนก็จะมีความทุกข์มากเมื่อความสงบมันหายไปทําไมเมื่อวานนี้ยังสงบอยู่เลยทําไมวันนี้ไม่สงบแล้วนะ ก็จะเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเกิดความผิดหวังอันนี้ก็เรียกว่าโดนงูเนี่ยมันแหวงกัดแล้วเพราะว่าไปไปจับหางงูนะไปจับหางงูคือไปยึดความสุขไม่ว่ามันจะมาในรูปใดคําสรรเสริญหรือว่าเงินทองตําแหน่งชื่อเสียงหรือว่าอารมณ์สงบความสงบในใจเนี่ย มันเกิดขึ้นเราก็รู้มันนะอย่าเข้าไปเป็นมันก็แค่เห็นมันเฉยๆนะถ้าเราวางใจแบบนี้ได้เนี่ยแม้แต่ไอ้สิ่งที่เป็นลบนะที่เรียกว่าโลกธรรมฝ่ายลบเนี่ยเสื่อมลาบนะเสื่อมยศความทุกข์คำนินทาอันนี้รวมไปถึงธรรมอารมณ์หรืออารมณ์ฝ่ายลบในใจนะ เช่นความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความโกรธ เ, เมื่อมันเกิดขึ้นหรือเมื่อมันกระทบกับเราเนี่ยเราก็สามารถจะใช้มันนะเพื่อการภาวนาไดนะ้ส่วนใหญ่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราถูกมันครอบงำไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกหรือลบไม่ว่าจะเป็นโลกธรรมฝ่ายบวกเรียกว่าอิทถารลมไม่ว่าจะเป็นโลกธรรมฝ่ายลบนอนิฐารลม ส่วนใหญ่พอมันเกิดขึ้นหรือเกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ยเราปล่อยให้มันครอบงำเราเราปล่อยให้มันบงการจิตใจเราเช่นยินดีบ้างยินร้ายบ้างนะแต่ที่จริงเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมีประโยชน์นะถ้าเราเนี่ยรู้จักเรียนรู้จากมันความโกรธเกิดขึ้นนะความทุกข์เกิดขึ้น แทนที่เราจะปล่อยใจจมไปในความโกรธหรือปล่อยให้ความโกรธความทุกข์มันครอบงาเราก็เรียนรู้จากมันมันมาเพื่อสอนเรามันมาเพื่อให้เราเรียนรู้ให้หมองในแง่นี้อย่าปล่อยให้มันมาบงการจิตใจของเราแต่ว่าเรียนรู้จากมันความโกรธเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆนะถ้าเราเ ร, รู้จากมันเราจะ เราจะรู้จักมันดีขึ้นนะอย่างที่พูดมาตอนกวาวันว่าเราจะจำลักษณะอาการของมันได้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆเนี่ยถ้าเราวางใจเป็นนะเราจะรู้จักมันดีขึ้นแล้วเราจะรู้ทางมันแต่ก่อนเนี่ยมันมาทีไรเนี่ยเราเสียท่ามันทุกทีมันหลอกมันล่อมันลวงใจเรา จนหมดเนื้อหมดตัวอย่างที่เล่าเนี่ยนะเมื่อตอนเมื่อตอนเช้าว่ามันมันก็นมีฉาชีวที่มาหลอกเด็กนะที่โรงเรียนว่าพ่อเรียกให้มารับนะเด็กนี่มันก็เชื่อนะพอไปถึงทางเปลี่ยวนะมิจฉาชีพก็เอาเงินเอาโทรศัพท์ของเด็กไปบางทีจับเด็กไปเรียกค่าไถ่ก็มีแต่ว่าถ้ามันทํานี้บ่อยๆเนี่ย เด็กก็จะรู้นะเด็กก็จะรู้ว่าอ๋อไอนี่คือมิจฉาชีพคนเราเนี่ยถ้าเจออะไรบ่อยๆนะมันจะรู้ทางเหมือนกับเราเนี่ยนะถ้าเรามีชีวิตนะผ่านหน้าฝนปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าเราก็จะรู้ว่าเนี่ยพอถึงประมาณนี้แหละนะฝนมันจะสั่งฟ้าแล้วมันจะตกมาหาใหญ่แล้วมันก็จะค่อยหายไปและฤดูหนาวจะมา เราเรียนรู้เพราะอะไรเพราะเราเจอมันบ่อยๆการที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราได้มีความรู้มากขึ้นหรือว่าการที่เราเจอฝนฟ้าบ่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าพอฟ้าขนองฟ้าผ่าฟ้าร้องเนี่ยเดี๋ยวฝนจะมาแล้วเรารู้จากประสบการณ์เรารู้จากการที่เราเจอมันบ่อยๆคนที่มาชอบยืมเงินเราบ่อยๆเนี่ยนะทีหลัก็มายืมเงินพ่อบอกว่าพ่อป่วยนะ อาทิตย์ต่อมาก็มายืมเงินอีกแม่ป่วยอาทิตย์ต่อมามายืมเงินอีกลูกป่วยนะทีแรกเราก็ให้นะแต่พอมาอีกครั้งนึงเนะี่ยมาบอกว่าเมียป่วยนี่เราไม่ให้แล้วเพราะเรารู้ทางเนี่ยเพราะเราเจอมันบ่อยแล้วนเนี่ยมาไม้นี้แล้วใช่ไหอะไรที่เราเจอบ่อยเนี่ยเราจะรู้ทางแต่แปลกนะเราเจอความโกรธเนี่ยบ่อยกี่ครั้งแล้วเป็นพันครั้งหลายพันครั้งแล้ว เราเจอความเศร้าเนี่ยกี่ครั้งแล้วเราเจอความวิตกกังวลเนี่ยกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วแต่ทําไมเราเสร็จมาทุกทีอนะมันมาทีไรเราเสร็จมาทุกทีโกรธทุกทีเศร้าทุกทีเครียดทุกทีวิตกกังวลทุกทีเพราะเราไม่รู้ทันเพราะเราไม่ได้คิดจะเรียนรู้จากสิ่งที่เราเจอมันมาแล้วเราปล่อยให้มันครอบงําใจแต่ถ้าเราเริ่มที่จะเรียนรู้จากมันอ๋องั้นถ้าเราเริ่มที่จะเรียนรู้จากมันนะ การที่เจอ ม, มันบ่อยๆเราจะรู้ทางมันนะเราจะจำลักษณะของมันได้นะอย่างที่เรียกว่าทีรสัญญาทีลรสัญญาก็เป็นธรรมชาติของเป็นคุณลักษณะของสติอย่างหนึ่งนะก็คือว่าจาลักษณะอาการของอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาได้งั้นถ้าเราเจอบ่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะจำมันได้เราจะรู้ทางมันและพอเรารู้ทางแล้วเราก็จะรู้ทันเราไม่โดนมันหลอกอีกแล้ว เราเรียนรู้จากอะไรเรเรียนรู้จักการที่เราเจอมันบ่อยๆเพราะนั้ <c oughs> นเวลาเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเจอความฟุ้งซ่านเจอความง่วงนะอย่าไปโมโหจะไปหงุดหงิดนะให้มองว่ามันมาเพื่อให้เราเรียนรู้มันมาเพื่อให้เราจําได้มันมาเพื่อที่จะให้เราพัฒนาทิรสัญญาขึ้นมาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้คิดจะเรียนรู้จากมันเราไม่คิดไม่ได้คิดจะไม่คิดจะดูมันไม่คิดจะสังเกตมัน มันมาปุ๊บเราก็ปล่อยให้มันครอบงามจิตพอความง่วงมาปุ๊บเราก็หมดเนื้อหมดตัวพอความกลัวมาปุ๊บเราก็โดนมันเล่นแต่พอเราเริ่มจเจริญสตินะเราจะเริ่มวางท่าทีใหม่ก็คือเล ร, รู้จากมันเน้นการที่มันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติเนี่ยอย่าไปอย่าไปหัวเสียอย่าไปอย่าไปตีโพยตีพายนะมันไม่สงบเลยมันฟุ้งซ่านเหลือเกินอันนี้วางจิตไม่ถูกต้อง ให้มองว่ามันมาเพื่อให้เราเรียนรู้มันมาเพื่อเรารู้จักมันคนจำนรนไม่น้อยเนี่ยโกรธเป็นหมื่นครั้งก็ยังโกรธอยู่ถูกความโกรธเล่นงานอยู่อายุหกสิบจ็สิบแล้วกลับโกรธง่ายโกรธเร็วมากขึ้นอันนี้เพราะไม่เรียนรู้เลยนะแต่ธรรมชาติของใจจริงเนี่ยอะไรที่เราเจอบ่อยเจอบ่อยเนี่ยเราต้องฉลาดกว่าเดิมเราต้องรู้จักมันรู้ถักรู้ทางแล้วก็รู้ทันมัน ้เวลาภาวนาเนี่ยนะที่จริงไม่ต้องภาวนาก็ได้เพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราก็ต้องเจออารมณ์พวกนี้แหละเจอทั้งโลกธรรมฝ่ายลบนะเจอทั้งอารมณ์ฝ่ายลบที่มันเกิดขึ้นในใจเพราะมีการกระทบเกิดขึ้นนะถ้าเรารู้จักสังเกตจิตใจของเราเราจะรู้ทางเราจะรู้ทันอารมณ์พวกนี้ได้ได้เร็วขึ้นนะและมันจะครอบงำจิตใจเราน้อยลง แล้วมันจะเปลี่ยนจากศัตรูกลายเป็นครูนะเพราะว่ามันจะสอนทําให้กับเราถ้าเราเห็นมันสังเกตมันมันก็จะสอนทําให้กับเรานะมันจะแสดงมันจะแสดงแตายรักให้เราเห็นเหมือนกับที่หลวงพ่อ เ, อเขียนตอนที่ป่วยเนี่ยป่วยครั้งแรกเมื่อปี4ี่เ้าเนี่ยท่านเป็นมะเร็งแล้วก็มีทุกขเวทนาเยอะแต่ท่านก็ไม่ได้เครียดไม่ได้ทุกข์ท่านบอกว่าอป่วยดขาวนั้นนี่มันสบายไม่ต้องทําอะไรเลยท่านบอกว่าป่วยเนี่ยไม่ต้องทําอะไรหรอก ถ้าเห็นไตลักณ์ก็พอแล้วมันช่วยให้เราดูเองมันช่วยให้เราเห็นเองนะไอ้ความเจ็บป่วยนี่แหละนะมันจะแสดงไตลักษให้เราเห็นมันจะโชว์ไตลักให้เราเห็นนะขอยเราเนี่ยแทนที่เราจะปล่อยให้ความโกรธให้ปล่อยให้ความทุกข์ความเจ็บความปวดครอมงำเราเราตั้งสติให้ดีนะมันก็จะเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยมันกําลังแสดงไตลักให้เราเห็น แต่ว่าไอความเจ็ความปวดนี่มันเป็นเรื่องเป็นกันเป็นโจทย์ใหญ่เป็นการบ้านยากนะเอาแค่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอรูปรสกลิ่นเสียงที่ชวนให้ไม่พอใจนะเราก็เห็นมันเรียนรู้จักมันอย่าเข้าไปเป็นนะแต่เห็นมันสังเกตมันการสังเกต บ, บ่อยๆทําให้เราฉลาดเราจะรู้ทางแล้วรู้ทันมันทีลสัญญาเนี่ยในใจเราก็จะ มันคงเข้มแข็งและเนี่ยเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งที่บอกว่าไม่มีเวลาภาวนาไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยมันมีเวลาภาวนาแน่นะถ้าเรารู้จักเรียนรู้จักผัสสะที่มากระทบไม่ยังเป็นต้องไม่ไม่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าเรามีเวลาอาบน้ําำไหมเรามีเวลาล้างหน้าไหมเรามีเวลากินข้าวไหม ถ้าเรามีเวลาล้างหน้ามีเวลาอาบน้ำมีเรากินข้าวนั่นก็แปลว่าเรามีเวลาภาวนาเพราะเราสามารถจะภาวนาจากการอาบน้ำกินข้าวด้วยการทําความสึกตัวนะครูจ่า ก, ก็ตัดเองนะว่าเนี่ยให้ทําความสึกตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเวลาเหลวซ้ายและขวาทําความสึกตัวเวลาคู่ขาเหยียดขาทําความสึกตัวแม้กระทั่งเวลาอุจจาะปัสสวะ ถ้ามีเวลาอุจละมีเวลาปัสสวาวะก็แสดงว่ามีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็เจริญสติทำความรู้สึกตัวไปทำความรู้สึกตัวคุพุทธเจ้าตรัสนะทำความรู้สึกตัวเวลายืนเดินนั่งแล้วก็หลับตาคุยนิ่งมีเวลายืนไหมมีเวลาเดินไหมมีเวลานั่งไหมนั่นแหละมีเวลาภาวนารวมทั้งเวลามีอะไรกระทบเกิด อารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอิทธารมอ น, นิธารม์ก็ภาวนาได้ด้วยการเรียนรู้จากอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นพระนันทิยาพู้ตบท้ายให้กับพระองค์เคลมานะว่าผู้ที่รู้จักหาประโยชน์จากอิทธารมณ์แลอ น, นิธารมเนี่ยพระผู้มีภาคเจ้าสละเสริญผู้นั้นเป็นบัณฑิตอิทธารมก็คือโลกธรรมฝ่ายบวกก็คือสิ่งดีๆที่เราคใครๆปรารถนาเนี่ยได้ลาภได้ยศคําสละเสริญหรือสุข อนนี้า h ลมก็เสื่อมลาบเสนะื่มยศนะนินทาทุกต้องความเจ็บป่วยอะไรพวกนี้พวกนี้เราต้องรู้จัหาประโยชน์ขางมัน ป, ประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราจะได้คือเรียนรู้ว่ามันมีลักษณะอาการอย่างไรแล้วก็มันแสดงแตายรักให้เราเห็นมากน้อยแค่ไหนเอาคำเดียวเพื่อกกท่า น, นี้นะเอากลับค่ะ